เมื่อเนี่เป็นวันสงกรารหลวงพ่อเจ้า อ, อกเป็นภาษาพื้นเมืองนะเ พ, พราะว่าเห็นพี่น้องพื้นเมืองเมื่อไรพี่น้องไทยคงเทพอืปต้องพยายามศึกษาภาษาทั้งทองทินเขาบังอแต่พี่น้องทองทินไปก็ย่งศึกษาพี่นอ้องทั้งภาคกลางเลยพอนนั้นพี่น้องทั้งภาคกลางมากกต่องมาศึกษาภาษาทองทินนั่มอ พ, พราะนั้หลวงพ่อเจาอกเป็นภาษาทองถินเมือเ่อนเองพวก ข้าวหยาโน้มดูกหลานทุกคนมือนีเป็นวันสงกรานสงกราน ก, นก็คือเป็นวันปีใหม่ของไทย เ, เป็นวันที่สิเนี่ยเป็นวันปีใหม่ขันสากลกันวันทีหนึ่งมกราเป็นวันปีใหม่ของประเทศของโลกโลกก็จัดว่าวันวันทีหนึ่งเป็นวันปีใหม่ของโลก แต่ว่าในท้องทินของแต่ละท้องทินแต่ละประเทศเขาก็ถือกันมากตั้งแต่โบ ร, โบราณอย่างวัฒน์จุดจีนนี่สิเป็นวัน์ขึ้นปีใหม่ของจนนีนไปอย่างของเมืองไทยห้าวนี่ก็วัน์สงกรานเป็นวันปีใหม่ของไทยอันนี้ก็ถือกันมากตั้งแต่เก่าแก่โบ ร, โบราณถือกันมากเพราะนั่นเมือนี้เป็นวันปีใหม่ของไทย ขอให้พี่น้องออกตนหยาดงมลูกล้าน เ, าเมื่อมาถึงบานถึงเมืองแล้วมาถึงบานถึงเฮือดแล้วเราไปไปทําการทํางานทํามาค้าขายในต่างทิณต่างแดนไในกลับมาถึงบานถึงเฮือดแล้วก็ให้ระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ที่กลับมาเนี่กลับมาเพื่อห ย, ยัง่งกลับมาบานมาเยี่ยมบานบพร ม, มนันมาเยี่ยมซื่อเด้ไปตั้งน่มน่านไปก็ไปทํา ม, มาหาร เลี้ยงชีพทำมาค้าขายพอกลับขึ้นมาก็มาเยี่ยมบาดเหี่ยมพ่อแม่ปูยาตาย่ายมาก็มากราบเพลินนะมุดหนามําหัวแต่ภาษามุดหนามําหัวเนี่เป็นภาษาทางภาคเหนือใส่ซัพท์ทางภาคเหนือภาษาทางอีสานเขามากราบมากไหวพ่อแม่ของเข้าพ่อพ่พ่อแม่ของเขาเป็นผู้มีบุญมีคุณที่เด่นเลี้ยงดูเขามากแต่หน่อยแต่นุม จนห่อทําการทํางานใดปานนี้แหละเมื่อห่อไปทําการทํางานอยูใ่ในต่างทินตางแดนกับพยายามเก็บหอมรอมหลีบเงินค้ามทรัพ ส, สมบัติเท่าที่มีวนองไปก็บ่ให้เดือดร้อนอาจากนั้นก็ให้เอาเงิ่อนเอาท่องมาให้พ่อให้แมน้าแนแบงให้พอให้ม แ, แ ม, ใใมยใส่แน่วนองไปคือห่อไปหาทั้งปีทั้งชาติวนลงไปก็ให้แล้วลึกถึงบุญคุณนแต่จีเกิดว่าโอ้ยพน บ่เป็นยังหรอกเพิ่นบ่อใดไส่หรอกอย่าไปหาขืดจังสันมาหาเจ้าของล่ะมาหาเจ้าของเป็นไส่เอาใส่เอามาหาพ่อแม่เป็นบ่อดไส่หรอกคืดจังสันหลวบลัดเรืยดัวไดได้ที่เพื่นเลี้ยงเข้ามาเน่ยเท่าใดเทาที่ทดแท่นบุญคุ้นของเพื่อนานัดบ่อใดมั่นกระโบถูกนะหลงพอว่าเป็นนาทีของลูกหลานที่ต้องคิดจะต้องช่วยกันคิดเออจะต้องช่วยกันพิจารณาล่ะ พอแม่เลี้ยงห้ามาเลี้ยงยากขนาดใดตั้งแต่ตีนทอฟ้าหอยจนใหญ่ปานนี้จากนั้นก็มีขอบมีขั้วถื อ, อไปทําการทํางานก่อนที่ว่าเอื้อเดือนนี้กู้ได้เงินมากซีหาพันบาทหาพวก็ดพบาทเนี่ยจังไหนกู้จิตถือไปให้พ่อให้แม่สักพันบาทเว้กูสีใส่เท่านี้ก็วควรจะมีในจิตในใจยังสั่นหมไปคือมาบากนก็ยังคอยเอาให้พอ่อให้แม่ โมเมนต์สิกับข้นมาบานกับเมาตั้งแต่ยูปุ่นขืนมาหอดผีกับเมามาหอดผีเออบ้านสิร่งไปก็เมา่จุดหอดไปสำนักงานทั้งข้อเหตุงาน อ, าอันนั้บ่อได้เลยเ อ, อันนั้นเป็ว่าลูกประเภทไตรละบานเนี้เออเป็นลูกสาวลู ก, ลกชายที่ไส้บอ่อได้เลยวันลงไปเออโมโหจังบุนคุ้นของพอ่อของแม่ลูกประเภทจังสันวันไปเป็นลูกคกลิกลูกเคาะ ฝัดพอฝัดแม่เผลอเผล อ, อขืนมากนะท่ามทาพูดให้ใส่พอใส่แม่อีกวนนั่นไปอ้ท่ามทา เ, เป็นคนในเมืองอีกแ้บออะไรนะพวกเฮ่านะลูกลานนะแอเมื่อพอแม่เลี้ยงเฮามาแล้วเฮ่าต้องระลึกถึงบุญคุณของเพินินเมื่อทําไปทําการทํางานกับขืนมากก็ต้องมีสติมีสติเราต้องมีสตังค์พอวันไปอ่ ต้องมีเอาสตางค์ขึ้นมาด้วยถือเงิ่อนขึ้นมาด้วยเพื่อทดแทนบุญคุ้นของเพิ่นเพิ่นได้เรียงห่ามาแล้วทอดไถเห่อขวรจะทดแทนบุญคุ้นของเพิ่นห่เอเป็นลูกเนะื้ลูกยังนะลูกนีห่เอเป็นลูกหนีวัดโน้ตไปห่อขวรจะเอาหนีมาใส่พอใส่แม่คนละนิดคนละหน่อยก็ยังดีมาหอดะเป็นได้พอแมเ่เก็บไข่ได้ป่วยสุขภาพเป็นได้พอแม่เป็นได้ เป็นไหนผู้ยูเฝ้านะพ่อแม่มีความสุขสนุกสบายบอเสือพานาแพ้เป็นอย่งไรึ้นมากกับผ่อผ้ากันมาดูแลทําความสะอาดบัดกวาดบันเฮืร์นหายโสมสะอาดหลังค้าหัวบอฝาบานหัวบอจังซี่เป็นหน้าที่ของลูกทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันเ ม, มื่อแมนจะให้ผู้ยูบ้านผู้เฝาพอ่พอเฝาแม่เป็นผู้ดูแลคนเดียวเ่อแมนได้มาหาผู้อื่นมาทําทายดูถูก ภูที our, ่อยู our, well, mm ่น hmm. mm ้ hmm. mm ําพอน้ําแมบอได้ตั yeah. to ้งแต่หัวจดเท่าเขาได้มาจากไผให้ถามมึงเจ้าของดูตั้งแต่หัวจดตีนกูได้มาจากไผได้มาจากทองอีแม่แมนบอหรือหังบอแมนให้ถามมึงนุ้บได้มาจากทองอีแม่มึงทดแท่นทองอีแม่มึงทดแท่นอีแม่ได้เท่าไหร่ให้ถามมึงเจ้าของมึงนุ้ตั้งแต่เมึ่อเกิดมาเนี่มึงเนี่ยทดแท่น อีพออีเมทเท่าไหรให้ถามบางเจ้าของม่อนออกไปแต่คนผู้อื่นถามเดี๋ยวจะเครียดให้เขาออกไปให้เจ้าของแต่ถามเจ้าของอนอกไปกูได้ทดแท่นอีพออีเมทเท่าไหร่ด้ที่เพิ่งเรียนกูมากยากกูได้เห็นโมเห็นเด็กหน่อยเกิดมากเขาเรียนยากขนาดไดนกูอยากจังสั่นบ่เลยไ ป, ไปยูไซลูกจองแอวแมวจองขางทั้งห้องทั้งให้พอวักพอว่นพอเมจะไปทําการทํางาน ขันลูกว่าจะไปอย่านติลูกพิษอกพิษใจเพื่อเพลินได้ห้น้าลูกก็มี่อ่เพราะนั้นพวกเข้าต้องคิดให้ดีนะพิธีเป็นลูกเป็นเต่านั่นที่ปีหนะอนหลวงพ่อจะได้เตือนลูกเตือนล้านเตือนออกตนญาติย่อมสุกผู้ซุกคนให้ระลึกถึงบุญคุณของบิดามารดาของเจ้าของพอแม่กินยังอยู่จงังไดเงินค้ามัพย์สมบัติเพิ่นมีเน่งมีใส่บอ ในเมื่อเพิรนมีความจําเป็นน่าจะรวบร่วมให้หยัดใช้ใหม่เสมือให้เพิรนทั้งพอทั้งแม่เพื่อทดแทนบุญคุนของเพิร์อนอันนี้เป็นนาทีของลูกของเต่าจะต้องช่วยกันคิดนะอันนี้หลวงพ่อก้าวเตือนเพราะวันนี้เป็นวันสงการวันปีใหม่ของไทยกันว่าพวกเข้าบอดีมาเมื่อนี้ ย, ยากเขาพ่อมาเลยครพ่อมา ก, กินเหล่ากินเหล่าเมายา สมมเลเทเมา่ฟ่อนเตงีงเยงฟ่อนตั้งอย่างลูกสาวลูกไส้ผู้เถา่าภูแก่เดี๋ยวไปผ้าเขาเห็ดวัฒนธรรมมันมีต่างหลายวัฒนธรรมวัฒนธรรมเขาวัดเขาว่าวายพระสวดมนต์ผ้าลูกหลานมีกิริยามลรยาธิฎีอันนี้ก็วัฒนธรรมคื อ, อกันบ่เมนจะกินเหล่ามาฟ่อนนกกลางถนนจะเมนวัฒนธรรมในวัฒนธรรมวัฒนธรรมขี่เหล่าอ่ข้นขาดสติมันบมเป็นตะเบิงนลบ เอาไปมากขาดเิตียก็ตีหัวกันขากันมีดฟันกันเพิษมางใจกันมัน่นรวนแล้วแต่เป็นสาเหตุแห่งการทะเลวิวาทสิ่งเหล่านั้นเพราะใหนบอกลูกบอกหลานถูกหลานเลย เ, <อ>เ<อ>มื่อกี้นี่หลวงพ่อได้ยินอาจารย์ผู้หนึ่งเพิ่นมาบวชจากวัดของพอ น, นสอนกุมศิลป์มันไปศิลปกรเพิ่นจบมาจากอจติเรียด เป็นอาจารย์นมด้วยไปกำลังไฟแรงเงินเดือนมันก็หลาเติบเพู่เปิดาเงินเดือนพ่อพ่อเป็นพ่อไปพ่อใส่แต่ว่าผมล่าออกเลยเปมาบวชเลยเป็นยั ง, ย, ง, ง, ย, งยังล่าหลวงพ่อเป็นยังยังล่าอาจารย์มาโอ้ถ้าจะว่าไปแล้วผมมดความสามารถัมันเป็นจางไหนเลยจะว่ามดความสามารถผู้อื่นเขาเขมีอยู่แล้วคือผมมาสอนอยู่ออินเตอร์ะะน ยินเตอเธอคือเป็นนักเรียนสอนภาษาอังกฤษของคนจบมาจากออสเตรเลียเยนี่สอนเนี้ดูในชั้นที่ผมสอนประมาณสี่สิบคนโดยมากผู้ชายผู้หญิงหาวกเจ็คนโดยมากเป็นผู้ยิ่งเด็กน้อยผู้หยิ่งครูมือนี่ยเก่งกว่าผู้ชายเลยหลวงพ่อเอวท่านเนี่ยแยออม่มากกม่สายมาลุงเลียงมากเขาห้องเขาห้องมหาวิทยาลัายผมก็บอกว่าเวลาเท่า น, นั้นเด้อเฮีมาก ให้มาพร้อมกันกระหูจักอยู่แล้วเฟล่ า, ล า, ามาทําม่ามาใช้สายผมจะให้ผมสอนเธอะเธอเธอเธอเรคนเห็ือนเจำได้โอ้ผมก็เลิกนักปกนับใจผมก็บอกไปหาพอ่อหาแม่บางที่พ่อแม่ยังกลับมาด่าผมอีกก็สั่นหลยอาจารย์เป็นยังมาจังสัน่นว่าถึงสี่เสียหายลูกของเออผมของฉันหมดน่ะโอ้ผมก็เลยเออแต่เป็นยังสี่ผมคงมผมมีความสามารถที่จะสอนคนให้ดีได้ ผมก็เลยล่าออกเลยเลยคำว่าผมสี่สอนมันก็ต้องสอนให้เขาเข้าใจในหลักวิชาการที่ผมได้เรียนมากเดี๋ยวนี่เด็กผู้ชายเนีอยู่ในระเบียบว่าเด็กผู้หญิงเนะี่ยธนาจารย์นะอันนี้เด็กลูกหลานผู้หยิ่งเขาฟังเอาไว้นะหลวงพ่อประเด็นนะั้นเนี่ยงพ่อเดี๋ยวฟังมาหลวงพ่อก็วาไปตามที่ห้องพ่อได้ยิ่งขึ้กันปนระมาณไปเพราะนั้นผมก็เลยล่าออกเพรานอะไรล่าออกอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอา้า ถ้าเป็นยังสี่ทุกคนน่ะผู้ใดเป็นอาจารย์มัดความสามารถกระล่างออกล่าออกแบบนี่ประเทศชาติที่เป็นยังไงที่ที่รงคู่บาลอาจารย์ทรงไปเสีเยหนยังสือของชาติหมดถึงเงินถึงเยอะแยะ็ น, นาดจะหันหนาเขว า, ห า, หากันปรึกษาบาโลกกันบ้างห้าสีเหตุจังไดห้าสีสอนลูกหลานห้าวจังใดสีแข่งกับโลกของเขาใดปันหาจะคิดจังสันได้อาจารย์บนหน้าจะปล่อยถอยออกมาแบบนี้หลงพอว่าบ้ เพลินก็เลยพ่อว่าโอ้ผมพิจะะารณามาแล้วสำหรับผมเนี่ยมันอ่อน อ, อกอ่อนใจหลีได้ท่านอาจารย์หลวงพ่อก็ได้ถามเอา้าถ้าเป็นความคิดของอาจารย์นะอาจารย์ที่คือจากไหนสีสอนลูกหลานของเฮาให้เป็นคนดีได้อาจารย์พิจะะารณาดูสิจะมีแบบไดแนวทางที่ออกแล้วไปสอนเด็กในชาติให้ํานึกสําเนียกแล้วเป็นคนดีคนในชาติได้ ผมมังบ่เห็นอย่างอื่นนะท่นนอกจากพ่อแม่ในครอบครัวที่สอนลูกเจ้าของก่อนนั่นขั้นที่เอามาให้โรงเรียนสอนบ่มีทางเพราะมันมาจับคุมกันเลยมันบ่ฟังเลยบ่ฟังคู่บาอาจารย์เด้พอมาหอดโรงเรียง น, นี่กันนั่นแหละคู่บาอาจารย์ฟังในหารหลังใช้เชเ่ดยิงสอนเรื่องวัฒนธรรมเรื่องกิริยามารยาทการเป็นอยู่บ่มีทางแหะอาจารย์มีทางเดียวก็คือพ่อแม่ต้องสอนต้องสอนลูกในครอบครัวจะมีโอกาสเมื่อมีโอกาสวลราชัยกัสอนลูก ผมว่าอันนั้นจะดีกว่าจะลึกซึ้งกว่าจี่มอเป็นคู่บาอาจารย์เป็นผู้สอนม่อมีทางบอกอาจารย์เละตุ่มเปะไปเลยตามความคิดของผมนะเออหลวงพอกัอนถึงจะบวถือเปี้ยเอออาจารย์ผพุนันพูดถึงจะบวถือถึงลอยเปืเ้อนหลวงพอก็มีส่วนมากๆเพราะนั่นหลวงพ่อจึงได้บอกเออพวกเขา้าทุกขูทุกคนเนอะมีลูกมีเต่านะย่างหน่อยเออเด็กปฐมเนะ่ะ บางที่เขมา ก, กินเขากับพอกับแม่ก็ต้องมีโอกาสบางที่เขไปกินนอกบ้านนั่งโต๊ะกลมน้ากันกินเขาน้าพอน้าแม่น้ำลูก2องสมสคนเอยลูกก็มือนหนีพอได้ยินขา่าวทั้งหนังสือพิมพ์กับวาจังสันจังสันนะยินโทรศัพท์จังสัมันบอดีได้ลูกการภัยเหตุจังสันโอ้ขายหน้าพอนหน้าแม่แล้วลูกมีความคิดเห็นอย่างไรถึงมันเปลนอย่างสันคือมากอันนี้ใครๆวัดพยายามจัดเยียดให้เขา ได้คิดก่ น, น, นไปแล้วก็สอนลูกในผ้าเขาผ้านำเท่านั้นถึงเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามเขาก็ต้องพยายามพูดเอาเรื่องอื่นหมดจะไปบอกส้ตัวเขาลงไปลูกเอ้นี่พอเห็นมาเนเห็นมาลุผู้นั้นผู้นี้แล้ลงกทั้งซื้อพอกทั้งซื้อพิมพ์ออกไปทะเลทเลายไปกินเหล้าม่าตีหัวเขาเพราะตีหัวเขาหลับใหลได้เป็นผู้ทุก บ้าหาเขาจับไรโอ้พ่อแม่จักเสียวหนาไปไหวใส่ได้ถูกเลยขั้นเป็นยังสันขายหนาขายตาพ่อแม่แท้ๆเด้ให้ลูกคิดให้ดีเนอะก่อนจะเห็นอย่างลูกคิดดีๆก่อนจะไปครบมูที่บอดีขั้นไปก่อเรื่องก่อเล่าเกิดมาเนี่ยพ่อแม่แหงจดอยู่แล้วเห็นบมดเลยทรงลูกทรงเต่าไปเรียนหนังสือมดไปเท่าไหร่ขันว่าลูกไปติดคุกเด็พ่อแม่ต้องเอาเงินไปไทยไปประกันอีกมดเลยพ่อแม่บานเนี่ ลูกจะเห็นพ่อแม่จดนางสันบปเองขันลูกก็จะเห็นพ่อแม่จดนางสันลูกต้องเป็นผูตังอกตั้งใจที่ลูกหน้าอันนี้ก็คือสอนลูกชายสอนลูกสาวขึ้นกันลูกสาวให้ลูกอีนางไอ้เฮ็ดยังก็ต้องระมรัดระวังเลยเฮ็ดยังขายหนามแม่หนาพ่อพอดีเลอคณะว่าเฮ็ดยังตั้งตัวพอดีทําตนพอดีบางคนมันความลับมันบ่มีในโลกเด้พ่อไปเฮ็ดไปแล้ว มันกระเทือนถึงพ่อถึงแม่เนี่เขาวาลูกพูนันลูกพูนีพ่อแม่จักเสียอนาม ไ, ไปใยใสพูนั้นลูกตรงเป็นคนดีและลูกเนะ้าตัองอ์ตั้งใจเลียงเนนะ้าเพื่ออนาคตของเข้าเพื่ออนาคตของครอบครัพวพ่อแม่จะได้พึงผ้าอาศัยลูกนะั่นต่อไปผ้าภากนาอันนี้ก็คือพยายามเย็ดเยียดสอนลูกในผ้าเขา่าผ้านำเวลาลูกไปใส่มีโอกาส การสอนกันจะไปหากินหลอกสะก่อนอย่าคอยสอนพิษกันมือรึ่งตึงนั่งซะก่อนจะจับลูกมาสอนมันกับบแมนเด้และอีกอย่างหนึ่งพ่อแม่กัควรจะเป็นตัวอย่างของลูกอีกออบอแมนที่มากมาได้กระเทียงกันมาลึ่งตึงนั่ง อ, อทั้งถวยทั้งซามกระยุยกระจายในบ้านมาแล้วยามากคอยสอนลูกมันกับบแมนเพราะนั้นก่อนที่สอนลูกก็ต้องมีสติสำหรับชั้นใหญ่ที่ลูกน่าจะเชื่อถือ ฟังคาไหนยังคอยสอนเขาหลวงพอวาน่ะอันนี้สอนพ่อสอนแม่เลยนี่สอนพ่อสอนแม่ผู้ที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวบ่แม่ไหนลูกไหนเต่ามากกับปอยปะละเลยบ่สอนเขาบ้าแหลกเขว่าลูกป้งจักถอยบ่หุจักคว่ำปอยเห็นไปเข่าลุงเลียนลุงเลียนสูงแหละกับบ่หุจักบุญคุณของพ่อของแม่อันนี้มันก็บอถืกได้หลวงพอวานะพอนั่งขอฝากไปครับ ออกตนหยาดโย้มลูกหลานสุขผูสูข้นนั่นตลอดถึงผู้เฒ่าผู้แกก็มิสิทธิทจะสอนใดอันนี้หลวงพอมีแต่แ น, แนวเลยแ น, แ, นแน่ววิธีการสอนเพื่อจะให้ลูกหลานของเขาเป็นคนดีเป็นทรัพยากรของชาติที่ดีก็ออกมาจากขอบครัว้วขอบขัวนั่นก็สอนลูกดีขอบขั้นก็สอนลูกดีต่างคนต่างดีดีหนึ่งดี2ดี3าดีร่วมกันก็หลายดีเอาหน่อยขั้นมันซัวขึ้นกันได้บ้าง เห็ขนาดคายซัวพุ่นนันกระซัวลูกพุ่นนันกระซัวเอาไปก็มาหลายคนซัวคนไซัวก็เต็มบ้านเต็มเมืองกันไปเนี่ยประตูคุกเลยเปิดนํากับพระท่านประตูวัดถึงนี่ถึงซีหาประตูบ่มีประหยากเข่าประตูคคกก็ใส่ใส่กุญแจไปสามสั้นกัผมผ้ากันเลี่ยงคิ้วกันเข่าจะเข่าคุกคนไปบ่อยากเข่ามันก็ได้เข่าแล้วพอเห็ดพอเฮ็ดชวดเนี่ยพ่อนันหผพวกเข้าพอแม่ออกตน หยาดงมลูกหลานเนะี่ยซอยๆกันสอนลูกสอนหลานอย่างมั่นสงกรานต์หนงสี่ขึ้นกันลูกหลานเนะี่อย่าไปกินอย่าไปเที่ยวเอ้ยเห็ดผิดประเพณีนอกลูก่นอกทางนะเอ้ยอย่าลูกชายขึ้นกันอย่าไปเห็ดเอ่อแล้ลาบละล่วลงลูกหลานเขาเนะ้่ลูกเนะี่ยอย่าเกินประมาณบวไรเด้ให้หาคอรบเขาเขานะี่ยพีนองของเขาลูกหลานของเขาเขาก็หักเด๊ะ ท่นเขาก็มาเห็ดลูกหลานของเฮ้าพี่น่องของเฮ้าเฮ้ากว่าเสียใจขึ้นกันพอดันซอยกันคิดได้จะไปเห็ดเห็มันเกิดประมาณนะ่ะเหรียญพ่อประมาณพ่อมกพ่อสมเป็นประเภทนี่บ้านเมืองของเฮ้าขันว่าลูกหลานเห็ดป้ถือป้ต้องเนะีพ่อแม่เขามาเตือนเขามาจับไปเขาคุกละทั้งที่งานสนุกสนานลื่นเลื่องพ่อแม่นี่น้ำตายหอยน้าตายยังแทนนหนำสงการโมแม่แนวด้ลลูกเอ้ย อยไปหาเที่ยวะเที่ยวห า, หาเหล่นจนเกินไปเนอะกันฮะขี่มอเตอร์ไซค์หัวน็อกพื้นไหนจังไหนล่ะโต๊โต๊ะเตะเตะเป็นบาแห่ พ, พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกเป็นบ้าสลูกประสมประกอบมัวแม่แนวที่ลูกคิดเหตดีเนอะถึงจะบอฟังในขณะนั้นก็คงจะฝังใจเขาไปนานพอสมควรทั้งว่าพอแม่บอกบอกโดยเจนตนาดีสอนโดยเจนตนาดีเห็นพื่อนนั้นสิ่งเ่า น, นี้ก็ต้อง นี่ซอยๆกันเบิงนะออกตน ญ, ญตง่าโน้มถูกผูกถูกค น, กคนมันเดี๋ยวเป็นบ้านสงการนะหลวงพ่อเขาเบอกเป็นแนวความคิดให้แกพวกเฮ้าทุกๆคนนะ่ะซอยหาทางออกนะคู่บาอาจารย์พระสูง์อย่างหลวงพอนะ่อสอนอยากจะให้พวกเฮ้านะเป็นคนดีคนในชาติคนในชาติเป็นคนดีแล้วบ้านเมืองก็ล่มเย็นเป็นสุกนะคณาว่าคนในชาติ มีแต่แกงแย่งกันมีแต่ทะเลาะวิวาทกันมีขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมากๆเป็นจังใดความเดือดร้อนบุญว่าให้เกิดขึ้นในศาสตร์ในชาติบานเมืองเข้าแ น, น่นอะนขณะมือหนี้หลวงพ่อไดวัเป็นแนวความคิดสำหรับพวกออกตนห ย, นยดนัดโยมทั้งหลายพวกเป็นฟันสงกรานเป็นมันปีใหม่พร้อม ก, กันกัอย่าลืมศีลธรรม หไหวพระสวดมนต์กรรับก่อนนอนแล้วก็นี่แหละให้ระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่แล้วกันเมืองเฮ้านับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อรรับก่อนอนกับไหวพระสวดมนต์สการบุญกุศลบาปบุญคุณโทษมีเด้คนเฮ้า่ตายแล้วเกิดตายแล้วบวศูนย์บวศูนย์บวบนบวปีขันธว่าตายเลยศูนย์พบเฮ้า่บุญญาณผีหอก มันมีผีของมือนลยครเพราะว่าคนตายแล้วมันเป็นผีมันเป็นศูนย์ตัววิญญาณมันมีอยู่วิญญาณบางตัวมันมีพลังเนีมันเหี่ยนนออกไปแต่วิญญาณบางบางตัวบางคนกขาบอเหี่ยนนออกไปแต่บางตัวบางบางวิญญาณมันเหี่ยนมนออกไปมันเหี่ยงคือแสดงออกมาให้คนได้รู้ได้เห็นเป็นผีมันออกไปเพราะนั้นแหะเรื่องใจนี่แหละเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากเพราะเห้นพวกเขาสร้างสมบุญกุศลไว คนมีบุญมีกุศลแล้วจิตใจเย็นสบายมีความสุขตายไปแล้วก็ไปเกิดสวรรค์สันพุ่มไปเกิดเป็นมนุษย์มาน่าัานผู้ใดมีบุญก็คือกัดกับคนมีเงินนั่นแหละการคนบ่มีบุญก็คือกับคนบ่มีเงินเห็นคนบ่มีเงินที่ไหนก่อนตายเราบอด้คิดอีหยังมีแต่เที่ยวมีแต่เล่นสมมเล่เท่เมาบอด้เตรียมกองการกุศลใหม่มาถ้าตายไปแล้วบานเนี่ยบ่มีบุญหรือเปล่า บุงคนบ่มีบุญเกิดจนแล้วไปหาเกิดหม่องตำตำอันนี้คือกันคนบวหาเงินขึ้นกันคนบวหาเงินอยูเป็นมือมืองอูเป็นเว่นเว่นไปกินเหล่าเม้ายาไปแต่ละมืองในตาปือยงมัดมืองมัดเล่นบ่ญจักหาเงินหาทองพ่อบ้านหลังนี้พังบาทเฮ็ดยังไงบ้านบ่มีเงินจะไปสางบ้านใหม่เด้กบ่มีเงินไปสางบ้านใหม่ก็นนะพ้อเพ้อจะไปควัดหูอยู่หลังบานนี้ ไปหายูตามทำตามขนาดหาใบใหมยย่ยูพ่อปกุกพ่อปิดจุของจังสันแล้วคนบม่ได้หาคนบมดคิดถึงอ น, นาคตคนบมดได้เตรียมพ่อไว้ขันว่าเฮ้ามีบ้านหลังนี้ยูเออขันออบ้ า, บานหลังนี้มันพังเลยเฮ้าสีเหตุจังไดเฮ้าก็ต้องเตรียมเงื่อนไว้ด้อันนี้คือกันคนเฮ้าเกิดมาแล้วเฮ้าต้องตายในแนวลงไปขันว่าเฮ้าหมดเตรียมสร้างบุญสั่งกุศลใส่คิตใส่ใจของเฮ้าไวนะ้น ม า, าตายไปบาดเห็ดยังไงคือกันขับคนบบมีเงินเมื่อบ้านพังไปแล้วเห็ดยังไง ด, ดูกระตรูบตูบตองไปมันก็ยังดียังมียังมีแนวมุ่งกันออกไปขัดอยู่บ้านนอกก็อยู่ในเมืองให้งไงหาสนกอซอหากอซอขุ่นคอซอพี่อยู่ไหนะลูกก็มี่เมียกับมีเฮ็ดยังไงเสิ่ยงมวลอีเข้าก็ต้องได้คิดคือกันอันนี้ก็คือปัจจุบันก็ ค, คือการเป็นดูในปัจจุบัน ส่วนอาณาควดก็คือเมื่อตายไปแล้วเขาควรจะสร้างสมบุญจังใดเขาต้องได้เตรียมไว้เมื่อการสั่งคุณงามความดีเพราะมันสร้างเพื่ออดีตเลยอดีตมันผ่านมาแล้วแต่เมื่อวานเมื่อก่อนมันดีมันก็ดีมาแล้วมันชั่วมันก็ชั่วมาแล้วมันเป็นแย่มันก็เป็นมาแล้วแต่ปัจจุบันมือนีปัจจุบันมือนีกันิดเดียวนะเพื่อ้า่งคุณงามความดีในปัจจุบันเพื่ออนาคตมืออื่นมือฮึ้มพูดนปีหนาปีได้่อไปพ่ายภาคหนาพุดนะ อันนี้แปลว่าข้าวสารปัจจุบันเพื่ออนาคตว่างแผนเพื่ออนาคตของเจ้าของเพราะฉนั้นพวกเข้าต้องดูแบบมีอนาคตเลยขันคนอยู่แบบผมมีอนาคตมีอะไรกินมัดมวลมัดกินกินเป็นมือมือไปบาดามันเหมือนบาดะถึงข้าวจําเป็นมากเจ็บไข่ได้ป่วยมากผู้ที่เกี่ยวของพ่อแม่เจ็บไข่ได้ป่วยมาก บาด น, นี่ยผจักสิหาเงินใส่ให้พ่อให้แม่เอาไปมา่าไปหาผลหากี่หารับหาขาโมยหาโคดหาโกงเขาเขาจับเขาคุกซําแพงให้พวกเกาอีกบาดเพราะเหตุไดเพราะตัวเองบริว่างแผนอนาคตของเจ้าของไว้เพราะนั้นพวกเข้าต้องมีอาณาโคดนะทุกคนต้องมีอนาคตนะค ต, าคต้องคิดให้ดีต้องว่างแผนไวให้ดีสรุปแล้วก็คือให้ประหยัดให้เก็บหอมรอมลิบเงินข้ามทรัพย์สมบัตเิเหมือนกับ ตุกตาที่หลวงพ่อวานได้เงืนมากหลายเฮ็ดจดังไดเอาไปฟังดินไฟแล้วก็ไปบูชาเท ว, วดาฟังดินไหวก็คื อ, อยังก็คือเอามาทําบุญทําท่านให้พอ่อให้แม่เท ว, วดาเนี่ยไปใส่เอาไปให้พอ่อให้แม่ชมติว่าเข้าไปทํางานอยู่ต่างประเทศหรือว่าทํางานอยู่กรุงเทพคนละไปเอ๊เดือนหนึ่ง เข้าปฏิสงกษ์ให้พ่อให้แ ม, ม่เมื่อนี้เข้าอยากให้พ่อให้แม่กินเข่าเว้ย อ, อยากให้พ่อแม่กินก๋วยเตี๋ยวยก๋วยเตี๋ยวจา น, นหนึ่งเท่าไรจานนึ่งยี่สิบบาทสามสิบบาทเอาเงินยี่สบสาสิบาทใส่กระปุกไว้ก็ได้เอใส่กระปุกไว้เออเมื่อนี้ให้พ่อแม่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวพ่อกับแม่นะ่ะคนอาจาย์นจาบเงินใส่กระปุกไว้เออเมื่อนี้เลี้ยงปลาตังโขดนะน้ำนมโอนตินเลย เกยวแล้วเท่าใดอ๋อใส่กระปุกไว้มาท้าหอดมือเออพอกแม่เงินอยู่ในหันผมเลยทุกบกระปุกละเอามาให้พอ่อให้แม่เนี่อันนี้แปลว่าเป็นผูมีระลึกถึงบุญคุณของพอ่อแม่อยู่เสมอระลึกถึงยามใดให้ชี้เลียกพ่อแม่ย่มใดเอาเงินหยอดใส่กระปุกไว้มาหาหอดมือมั่งกระทุบกระปุกเอามาให้พอให้แม่ใส่อันนี้แหละเป็นผูระลึกถึงบุญคุณของพอ่อของแม่หงพอว่า อันนี้เป็นวัาบูชาเทวดาบกเทวดาคือคือผู้สูงทรงที่ได้เลี้ยงดูเฮามากแล้วก็พร้อมกัน ก, ก็ให้ฝังไปในพุทธศาสนากับมวลเห้าไปวัดว่าศาสนาเออทาบุญทําท่านข้าหนามค้าไฟของเพิน่นเพื่อกินในอนาคตของเฮาเฮาตายระบอดศูนย์อย่างที่หลวงพ่อวานให้เก็บห อ, อมรอมริไปไดที่ละเล็กที่ละน้อยฝากดินเอาไว้ฝังดินเอาไว้เพื่อกินในอนาคต อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพว้เข้าจะต้องคิดมัดทั้งปัจจุบันทั้งอน า, าคตทั้งส่วนตัวของเขาก็จะให้ขาตัวปุกพ่องดูแลขอบรัวดูกเต่าของเข้าได้เงินมากกับแบงเป็นส่วนๆเอาไว้ในขอบขั้วเข้าสีใสแบบใดในขอบขัวเข้าสีใสแบบใดกับลูกกับเต่าของเข้าในการศึกษาอันนี้เข้าคอนต้องในแบงเป็นจัดสรรแบงสรรปั น, น, นส่วนไว้แต่ละส่วนละส่วนอันนี้แปลว่าผููอยู่แบบ มีอนาคตผู้อยู่แบบแอบกรอบขอบอ่าคันคิดใดหรือว่าทำไดยังหลงพอวาเนยแต่และครอบพวัวแต่และคนเนี่มแต่ความสงบลมเย็นเป็นทุกข์ในหลงพอว่านะแลวก็พร้อมการไกลไหวาพาสวดมนต์นอนรับกอ น, นอนทุกวันอย่าได้ขาดเพื่อจิตใจของเขาจะได้เย็นสบายมีความสุขคนไหวาพาสวดมนต์จิตใจมีเมตตามีคุณธรรม มีศิลธรรมในจิตใจที่มีแต่ความเยือกเย็นนะนะวันนี้หลวงพ่อไร้บอ้อให้ออกตนญาติโน้มฟังเน่าพ่อสมควรพอเป็นวันสำคัญเป็นวันสงกรานต์นะตอนนี้ไปรับพ่อนะ้วมานี้นะ